แนะนำบทอัลมุมตะฮินะห์บทนี้เป็นบทบาดานิยะมี 13 องค์การในตอนต้นของบทถูกประทานลงมาเป็นการตําหนิหะดีษอิบนุอบีบัลตะอะขณะที่เราเขียนหนังสือถึงชาวมักกะฮ์แจ้งให้ทราบว่าพระรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตรียมตัวเพื่อพิชิตนครมักกะฮ์แล้วนอกจากนี้พระองค์ยังได้กล่าวถึงระเบียบ ว่าด้วยการให้ความสนับสนุนแก่ศัตรูของอัลเลาะห์พร้อมกับได้ยกอุทาหรณ์ในเรื่องของนบีอิบรอฮีมและบรรดาผู้ศรัทธาในการปลีกตัวในการปลีกตัวของพวกเขาออกจากพวกมุชริกีนและได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ต่อต้านเพื่อสังหารบรรดามุสลิมและระเบียบเกี่ยวกับบรรดาผู้ศรัทธาหญิงผู้อพยพบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวเตือนมิให้ความสนับสนุน บรรดาศัตรูของอัลเลาะห์ซึ่งพวกเขาได้ทําร้ายผู้ศรัทธาจนกระทั่งเป็นเหตุให้มีการอพยพละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนบทนี้ได้ชี้แจงถึงความใกล้ชิดความเกี่ยวพันทางญาติและความเป็นมิตรกันในการดํารงชีวิตอยู่นี้จะไม่อํานวยประโยชน์อันใดแก่มนุษย์เลยในวันกิยามะห์นอกจากการศรัทธาและการงานที่ดีบทนี้ได้ชี้แจงถึงความจําเป็นต้องสอบสวนบรรดาผู้ศรัทธาหญิงที่ลี้ภัย และไม่ได้ขับไล่ผักไสพวกเธอไปหาพวกปฏิเสธเมื่อเป็นที่ประจักษ์ถึงความศรัทธาของพวกเธอและไม่ได้ลงความเห็นว่านางอยู่ในความคุ้มครองของพวกปฏิเสธศรัทธาแล้วได้กล่าวถึงข้อที่ขาดการทําสัญญาของพวกสตรีกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเงื่อนไขการทําสัญญานี้บทนี้ได้จบลงด้วยการเตือนบรรดาผู้ศรัทธามิให้คบบรรดาศัตรูของอัลเลาะห์ที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็น สาเหตุแห่งการประทานบทนี้ขณะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จัดเตรียมกําลังเพื่อพิชิตนครมักกะฮ์อยู่นั้นหะดีบอิบนุอบีบันตาได้ทรงสารไปยังชาวมักกะฮ์เพื่อแจ้งข่าวให้พวกเขาทราบว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งใจที่จะบุกพิชิตพวกท่านดังนั้นขอให้พวกท่านระมัดระวังไว้ด้วย สารฉบับนี้ได้ถูกส่งไปกับหญิงผู้เดินทางคนหนึ่งแล้วอัลเลาะห์ทรงประทานองค์การลงมาให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ส่งอาลีอิบนูอบีตอลิบซุบเระและอัลมิกดัดออกติดตามไปโดยกล่าวว่าพวกท่านจงออกไปยังสถานที่แห่งหนึ่งชื่อเราดอฮ์คอซซึ่งอยู่ห่างจากนครบะลินะห์ประมาณ 12 ไมล์ ณที่นั้นจะมีหญิงเดินทางผู้หนึ่งอยู่ในกระโจมบนหลังอูฐมีศาลอยู่กับพวกนางพวกท่านจงเอาศาลมาจากนางแล้วนํามาให้ฉันดังนั้นพวกเขาจึงออกไปจงกระทั่งถึงสวนและได้พบและพูดกับนางว่าจงเอาศาลมาให้เรานางได้พูดตอบว่าศาลไม่ได้อยู่ที่ฉันพวกเขาจึงพูดกับนางอีกว่าจะเอาศาลออกมาหรือให้เราเปื้อนเสื้อผ้า นางจึงส่งศาลออกมาจากผมเปียของนางแล้วเราได้เอาศาลนั้นมามอบให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏเป็นศาลจากหะดีฟถึงมุชริกีนชาวมักกะห์จริงถ้ารอซูลจึงกล่าวว่าอะไรกันนี่หะดีฟเค้ากล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลโปรดอย่ารีบตัดสินแก่พวกฉันเช่นนั้นความจริงฉันเป็นผู้มีข้อผูกพันกับพวกกุเรช และฉันไม่ได้เป็นชาวกุเรซและผู้ที่อยู่กับท่านที่เป็นชาวพวกมุฮายริรี่นั้นพวกเขาก็ได้มีญาติใกล้ชิดคุ้มครองพวกเขาและทรัพย์สมบัติของพวกเขาที่อยู่นครมักกะฮ์ดังนั้นเมื่อโอกาสแห่งการเกี่ยวดองทางญาติได้พลาดไปจากฉันฉันก็ใคร่ที่จะหาที่ยึดเหนี่ยวเพื่อคุ้มครองญาติใกล้ชิดของฉันและฉันไม่ได้ทําเช่นนั้น เป็นการปฏิเสธศรัทธาหรือกลับจากศาสนาของฉันแต่ประการใดและมิได้พอใจต่อการปฏิเสธหลังจากเข้ารับนับถืออิสลามแน่นอนท่านย่อมทราบดีว่าแท้จริงอัลเลาะห์จะทรงลงโทษแก่พวกเขาแท้จริงศาลของฉันนี้จะไม่ช่วยเหลือพวกเขาแต่อย่างใดในการให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์แท้จริง อัลลอฮ์นั้นทรงช่วยเหลือท่านให้มีชัยชนะเหนือพวกเขาอย่างแน่นอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบว่าใช่อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลปล่อยฉันฟันคอมุนาฟิกคนนี้เถิดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงเขาได้เข้าร่วมในสมรภูมิบะดรใครจะล่วงรู้ได้บ้าง ที่อัลเลาะห์ทรงสอดส่องดูแลชาวสมรภูมิบัดดอุมาร์จึงกล่าวว่าพวกท่านพึงปฏิบัติตามที่พวกท่านได้ประสงค์เถิดแน่นอนฉันขออภัยโทษให้แก่พวกท่านแล้วดังนั้นบทนี้จึงถูกประทานลงมาบิสมิลลาฮิรร่อห์มานิรเราะฮีม دويพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาอัยยูฮัลลาดีนอามะนูลาตัตะคึดูอะดูววะอดูวะกุมเอาลิยาตุลกูนอิลัยฮิมบิลมะวัดดะติวะกดวะกดกะฟะรูบิมาจาอากุมมินัลฮักก์ يُخْرِجُ نَ- الرَّسُولُ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَاجْتِهَادٍ مَرْضَاتِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ او पुसतथาทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าได้คบศัตรูของข้าและศัตรูของพวกเจ้าเป็นมิตรโดยความรักใคร่แก่พวกเขา และทั้งๆที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อสัจธรรมที่มายังพวกเจ้าโดยที่พวกเขาขับไล่รอซูลและพวกเจ้าเนื่องจากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลเลาะห์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าหาพวกเจ้าได้เคยออกไปต่อสู้ในแนวทางของฆ่าและแสวงหาความโปรดปรานของฆ่าดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้คบพวกปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรโดยที่พวกเจ้าซ่อนความรักใคร่ต่อพวกเขาอย่างลับๆ และข้ารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าปิดบังและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากระทําเช่นนั้นแน่นอนข้าได้ให้เขาหลงออกจากทางอันเที่ยงธรรมแล้ว وَيَدُ سُطُورَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا وَوَدُّوا لَوْ تَذْكُرُونَ هَكَاو มีสภาพดีกว่าพวกเจ้าพวกเขาก็จะแสดงตัวเป็นศัตรูกับพวกเจ้าและจะยื่นมือของพวกเขาไปทําร้ายพวกเจ้าและลิ้นพวกเขาก็จะกล่าวร้ายสาปแช่งและพวกเขาใคร่ที่จะให้พวกเจ้าเป็นผู้ปฏิเสธ لَتَنفَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير نينو ได้มีแบบอย่างอันดีงามสําหรับพวกเจ้าแล้วในตัวของอิบรอฮีมและบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับเขาเมื่อพวกเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าแท้จริงพวกเราขอปลีกตัวออกจากพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชาอื่นจากอัลเลาะห์ เราขอปฏิเสธศรัทธาต่อศาสนาของพวกเจ้าและการเป็นศัตรูและการเกลียดชังระหว่างพวกเรากับพวกเจ้าได้ปรากฏขึ้นแล้วและจะคงอยู่ตลอดไปจนกว่าพวกเจ้าจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวนอกจากคำกล่าวของอิบรอฮีมแก่บิดาของเขาที่ว่าแน่นอนฉันจะขออภัยโทษให้แก่ท่านทั้งๆที่ฉันไม่มีอำนาจใดๆจะช่วยท่านให้พ้นจากการลงโทษจากอัลเลาะห์ได้ โอ้ประพูอภิบาลของเราแด่พระองค์ท่านเท่านั้นเราขอมอบหมายและยังพระองค์ท่านเท่านั้นเราขอกลับตัวและยังพระองค์ท่านเท่านั้นคือการกลับไปรบบะนาลาตัจอัลนาฟิตนะลิลลดีนกัฟรวักฟิรละนารบบะนาอินนะกอันตะลอซีซุลฮะกีมโอ้ประพูอภิบาลของเรา ขอพระองค์อย่าทรงให้เราเป็นที่ทดสอบของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาโอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณละกอติกานะละกุมฟีฮิมอุสวะฮะฮะซะนะลิมันกานะยัรจุลลอฮะวัลเยุมะนอาคิรวะมันยะตะวัลลาะฟินนัลลอฮะฮวัลกะรีลฮะมีดความจริง ได้มีแบบอย่างอันดีงามในพวกเขาสําหรับพวกเจ้าแล้วแก่ผู้ที่หวังในการตอบแทนของอัลเลาะห์และวันสุดท้ายและผู้ใดผินหลังให้การศรัทธาแท้จริงอัลเลาะห์คือผู้ทรงพอเพียงผู้ทรงได้รับการสรรเสริญอัสซัลลัลลอฮุอัยยัจอัลบัยนะกุมวะบัยนัลลาดีนอาดัยตุมมินฮุมมะวัดดะฮ์วัลลอฮุกะดีร والله غفور رحيم بعض حين اللهอาจจะทรงทำให้เกิดความรักใคร่ระหว่างพวกเจ้ากับบรรดาผู้ที่พวกเจ้าถือเป็นศัตรูในหมู่พวกเขา แล้วเราเป็นผู้ทรงอนุภาพแล้วเรานั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ لا ينهركم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ام وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ الله เมตตาพวกเจ้า แท้จริงอัลลอฮทรงรักผู้ที่ยุติธรรมทั้งหลายอินนามายันฮากุมุลลอฮุอานิลลาดีนกาตะลูกุมฟิดดีนวาอัคเราจูกุมมินดิยาริกุมวาดาฮะรูวาดาฮะรูอะลาอิคเราจิกุมอันตะวัลลูฮุมวะมันยะตะวัลลูฮุมฟออลาอิกะฮุมุดดอริมูน แต่ว่าอัลเลาะห์ทรงห้ามพวกเจ้าเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ต่อสู้กับพวกเจ้าในเรื่องศาสนาและขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้าและช่วยเหลือให้ขับไล่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะผูกมิตรกับพวกเขาและผู้ใดผูกมิตรกับพวกเขาชนเหล่านั้นเป็นผู้อธรรม